รู้ในเรื่องของการปฏิบัติส่วนที่มีความสำคัญเป็นข้อแรกสำหรับบุคคลที่ต้องการประพฤติปฏิบัติหรือต้องการที่จะรู้ถึงเป้าหมายในทางมรรคผนิพพาน ก็จะต้องรู้จักวิธีปฏิบัติให้กระจ่างก่อนโดยความที่เราเป็นสาวกเราจะแตกต่างกับพระพุทธเจ้ามากพระพุทธเจ้าท่านไหลมาสู่การหลุดพ้นโดยไม่ได้รู้วิธีมาก่อนแต่เมื่อหลุดพ้นแล้วก็ได้ท่งย้อนทบทวนถึงสิ่งที่พระ อ, องค์ได้ลุกถึงว่า พระองค์มาถึงจุดสูงสุดอันนั้นได้อย่างไรการย้อนทบทวนเพื่ออ่านร่องรอยการมาสู่ความสำเร็จของพระองค์เพื่อจะได้ค้นพบวิธีการสำหรับจะนำวิธีนี้มาบอกคนอื่นให้ถึงสิ่งเดียวกับที่พระองค์เข้าถึงนั้นด้วย หนงนั้นวิธีปฏิบัติที่พระพุทธองค์ได้ส่งทิ้นไว้เนี่ยเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ส่งเอาตัวตนของท่านเองเป็นผู้กระทําระบบปฏิบัติจึงเป็นระบบปฏิบัติที่มาจากมาตรฐานของการกระทําของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติอันเนี้ยเป็นการปฏิบัติโดยมุ่ง ให้บุคคลผู้ต้องการจะกระทําตามเนี่ยได้เข้าถึงนิพพานด้วยในแบบที่พระองค์เข้าถึงมันเป็นวิธีปฏิบัติสําหรับคนต้องการหลุดพ้นหรือสิน้นความเกิดความแก่เจ็บตายนี่คือเรื่องของอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดที่มีกันอยู่ที่ซ้อนกันอยู่เนี่ยเป็นวิธีที่เราไม่ควรจะ ตีความให้ต่ำลงมาจากสภาพที่มันเป็นอยู่ควรจะคงเดิมในสภาพเดิมในแบบที่พระ เ, เจ้าท่านได้กระทำพอมาถึงยุคของรุ่นหลังผู้ปฏิบัติตามผู้เดินตามเนี่ยก็จะแตกต่างจากพระองค์ตรงที่ว่าพระองค์ทิ้งวิธีไว้ให้เรา แล้วเราก็ต้องมาทำความเข้าใจในวิธีนั้นให้กระจ่างชัดเสียก่อนก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติคือถ้าเรายังมองภาพการปฏิบัติไม่ออกเนี่ยการปฏิบัติทำมันก็มีข้อเสียเวลาสับสนปนเปออกนอกรูนอกทางได้จึงมีความจำเป็นข้อแรกสำหรับคนต้องการ พิสูจน์สัตรสธรรมของพระพุทธเจ้าพิสูจน์เรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยก็จะต้องมาทำการเล่าเรียนในส่วนอันเป็นปริยัตเพื่อเกิดความเข้าใจได้กระจางมองเห็นภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติได้ถูกต้องการปฏิบัติธรรมมันก็จะมีการอธิบายไว้ทั้งโดยโดยพิสดานและก็โดย ลักษณะที่เหมือนว่าเรียบง่ายก็มีแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการปฏิบัติในขั้นอบรมศีลอบรมศีลศีล น, นี้ก็จะเป็นเรื่องการควบคุมการพูดการกระทาผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าอบรมศีลเนี่ยทำไปเพื่ออะไรทำไมต้องทำ ศีลเป็นข้อที่เราอบรมเพื่อปรับสภาพของจิตของเราที่เป็นคนกระด้างให้เป็นคนอ่อนโยนปรับสภาพจิตที่เคยสะสมบาปทำทั้งหลายเนี่ยให้ส่วนหมองนั้นมันคลายลงมันเหมือนการชำระรักษาศีลเพื่อชำระสะสางตรงนี้ต้องใช้คาว่าอบแล้วก็รมแล้วก็บ่ม อบลมบ่มเนี่ยใช้คําว่าบ่มเลยการสมาทานศีลจะเป็นเรื่องของความตั้งใจที่เราเนี่ยกำลังจะทําให้ตัวเองกลายเป็นพระการปฏิบัติธรรมคือการปาพาตนเองกระทําอย่างพระและยกระดับการใช้ชีวิตอย่างนักบวชเลยนะถึงแม้จะไม่ได้บวชอ่ะแต่ถ้าลงมือปฏิบัติมันเหมือนกับเรากําลัง ทำให้ตัวตนของเราเปลี่ยนไปกลายเป็นคนดีอย่างยิ่งกลายเป็นสะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นอ่อนโยนขึ้นฉนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นเรื่องของการผ่านวันคืนแล้วเกิดการกะระทำในแบบที่พระอริยเจ้าเขาทำกันเมื่อเราทำแบบนั้นเดี๋ยวเราจะกลายเป็นพระอริยเจ้าถ้าเราทา ตามแบบที่อริยเจ้าเขาทำเดี๋ยวเราจะกลายเป็นพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าเขามีการควบคุมความคิดความคิดอะไรเป็นอกุศลหรือจะถือสาเกลียดชังอะไรเนี่ยผู้มุ่งจะทำให้จิตใจของตนบริสุทธิ์เห็นความสำคัญกับการทำให้จิตของตนบริสุทธิ์ก็จะกลัวความหมองเศร้า กลัวจิตจะเกลียดกลัวจิตจะโกรธกลัวจิตจะถือสากลัวว่าเจ้าจิตจะมีอกุศลเพราะสิ่งเหล่านี้พอเข้าไปในจิตเราแล้วเนี่ยเรามีแต่ขาดทุนอย่างเดียวเท่านั้นมีแต่สูญเสียการสั่งสมดีงามสั่งสมดีงามมาจนสะอาดดีแล้วเราปล่อยให้เรื่องไม่สะอาดเข้าไปได้เนี่ยเหมือนเหมือนเราพลาดท่าทำให้สิ่งที่มีค่าคือจิตใจของเรามัน ถูกสิ่งปนเปื้อนสิ่งที่มันเป็นข้อทำลายกุศลลธรรมแทรกแซงเข้ามาได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเขาก็จะมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำให้จิตบริสุทธิ์คนต้องการให้จิตบริสุทธิ์เนี่ยก็จะต้องใส่ใจในข้อระวังความคิดไม่ต้องเลิกคิด แต่ถ้าความคิดอะไรมันเป็นไปในทางลบก็จะหยุดหรืออยากจะไปไกลกว่านั้นอยากจะรู้ถึงระดับจะเป็นอริยเจ้าเลยก็จะเพิ่มงานให้ตัวเองได้เช่นถ้าคิดไปในทางชอบอะไรชื่นชมยินดีอะไรก็จะหยุดเตือนไม่เอาคิดไปสนใจอะไรในเรื่องที่มันเป็นข้อวุ่นวายมากมายก็จะหยุดนี่คือหยุด มีการใส่ใจเรื่องความคิดที่จะรู้จักละความคิดในความคิดที่มันให้ประโยชน์น้อยก็ละในทางอากุศลก็ละอันนี้เป็นคนที่มีความเพียรเลยนะฝึกหยุดความคิดฝึกละความคิดฝึกลากความคิดไปในทางที่ควรต้องคิด อย่าฝึกให้เขาคิดในเรื่องดีๆฝึกให้เขาคิดลงในทางปลงฝึกให้เขาคิดในทางเย็นนี่คือถ้าจะคิดหรือฝึกให้เขาคิดเพื่อหาคำตอบอยู่กับธรรมะถ้าจะคิดก็ให้เขาคิดในสิ่งเย็นสิ่งดีสิ่งทีง่ให้กำไรคิดพิจารณาเรื่องธรรมะเดี๋ยวให้กำไรคิดพิจารณาในทางให้เห็นโลกอย่างอ่อนโยนมุ่งดีก็ได้กาไรคือบุญ คิดแล้วให้ได้กำไรไม่ยอมขาดทุนถ้าจะคิดลบขาดทุนไม่คิดถ้าจิตอยากคิดต้องหากำไรนี่คือคนที่ฉลาดในการคิดจะเอากำไรอย่างเดียวระวังขาดทุนด้วยการคิดนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติสำหรับบุคคลที่ต้องการใส่รายละเอียดของการ ปฏิบัติปฏิบัติอยู่กับการใส่ใจด้านคิดนี่คือข้อหนึ่งเราหยุดความคิดได้ควบคุมความคิดได้ลากความคิดไปในทิศทางที่ต้องการได้แสดงว่าเรามีอานาจเหนือความคิดซึ่งการจะมีอานาจเหนือเจ้าการคิดเนี่ยเราต้องฝึกที่จะลากทิศทางเปลี่ยนทิศทางหยุดความคิดต้องฝึกสิ่งเหล่านี้มา ฝึกหยุดในความคิดที่ควรหยุดฝึงเปลี่ยนทิศทางการคิดจากสิ่งที่มันกระตุ้นให้คิดลบก็หักไปทางคิดบวกซะสิ่งอะไรที่มันทำให้รู้สึกเศร้าโศกก็ปรับในทางคิดปรงซะคือปรับในทางความคิดอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งเรียกฝึกเหมือนกันทำ บ, บ่อยๆจะเริ่มชาญฉลาดมีชั้นเชิงในการจะจัดการกับความคิดได้มาก น, นี่คือเรื่องการคิด ก็มุ่งหมายคือเพื่อให้จิตนั้นได้กำไรอย่างเดียวคือได้ฉลาดขึ้นได้หนักแน่นขึ้นได้สะอาดขึ้นหรือได้กำไรเป็นบุญกุศลขึ้นหรือได้กำไรเป็นความเข้าใจกระจ่างในธรรมะก็ได้ด้วยนี่คือเรื่องคิดต้องให้ได้กำไรกับการรักษาศีลตรงคิดเนี่ยเขาไม่อยู่ตรงขั้นศีลเพราะว่าศีลเขาจะอยู่ตรงแค่การพูดกับกระทา มีความใส่ใจที่จะตั้งใจรักษาศีลเรารักษาศีลนี้เพื่ออะไรรักษาศีลก็เพื่อให้จิตนั้นสะอาดควบคุมการพูดก็เพื่อเจ้าจิตนั่นเองควบคุมการกระทําก็เพื่อเจ้าจิตนั่นเองจะให้จิตนั้นสะอาดขึ้นอ่อนโยนขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นจิตที่ยังกระด้างอยู่เนี่ยพิจารณารมยังไงมันก็ไม่ปลงมันเหมือนความรู้สึกมันไม่ยอมจะซึง้ง มันต้องทำให้จิตใสอ่อนโยนเย็นเลยละ่ะจิตอย่างเนี้ยมองอะไรมันเย็นมองอะไรมันใสมองอะไรมันลึกซึ้งเขาจึงต้องทำให้จิตบริสุทธิ์เหมือนเอาจิตไปล้างให้สะอาดไปบ่มไปเพาะไปกระเทาะไปทำจักร้อนให้ใหเย็นไปทำกระด้างให้อ่อนด้วยการเว้นบาปทุกชนิดด้วยความตั้งใจเลยไม่ทำเลยเพื่อไม่ให้จิตกระด้าง กับขยันสร้างสิ่งดีขยันสั่งสมกุศลดีๆขยันเพื่อให้จิตเราอ่อนโยนทุกการทำความดีมาทำให้เราอ่อนโยนหรือจากเสสระเกื้อกูลอนุเคราะห์การทำเหล่านี้มุ่งหมายเพื่อทำให้จิตนั้นปรับตัวมันมีมุ่งหมายสองอย่างคือหนึ่งบางคนทำดีเพราะอยากได้บุญอยากได้ความสุขแต่ในเชิงลึกจริงๆขยันทาดีเพื่อเอาจิตที่เกิด ก็บุญกุศล น, นั้นนะ่ะมาปรับสภาพเจ้าจิตให้กลายเป็นจิตที่มีสุขภาพที่เต็มมีความเป็นจิตที่ค่อยๆ อ, อ่อนโยนขึ้นตามวันเวลาในอริยมรรคมีองแปดก็ให้ขยันสร้างกุศลเนี่ยก็มุ่งหมายว่าการสร้างกุศล น, น่ะมันจะทําให้จิตคนนั้นค่อยๆปรับตัวกลายเป็นจิตที่กว้างขึ้นการได้มีชีวิตเกี่ยวข้องกับสิ่งรอบข้างเนี่ยเจอมด เจอมแมลงเจอสัตว์เล็กเ็จน้อยเราก็สามารถเกือ้อกูลช่วยเหลือยามเขาลำบากแบ่งปันในสิ่งที่มีเกินอนุเคราะห์ด้วยกำลังกายอนุเคราะห์ด้วยวาจารู้จักอนุเคราะห์รู้จักเกือ้อกูลรู้จักสร้างกุศลการทำแบบนี้มันทำให้จิตเรากว้างมันทำให้ใจที่มีแต่ตัวเองเริ่มคลายออกทาให้ใจนั้นที่เคยกระด้าง ถือตนก็เริ่มมีคนอื่นเขาบ้างนึกถึงด้วยใจเอ็นดูนึกถึงด้วยใจอยากอนุเคราะห์การกระทำแบบเนี้มันทำให้เกิดการปรับสภาพจิตของตนเมื่อทำบ่อยจิตของเราก็จะค่อยๆกลายเป็นจิตที่เข้าร่องเข้ารอยสำหรับจะเหมาะควรต่อการนำไปจเจริญวิปัสสนาแล้วให้ผลสำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานได้ แต่ถ้าจิตของเรายังกระด้างอยู่ยังใส่ไม่พอเนี่ยมันจะยังไม่ซึง้งมันไม่ค่อยซึง้งมันจะแข็งดังนั้นมันจึงต้องมีเรื่องของการบ่มเพาะบ่มเพาะเนี่ยผ่านวันคืนในการใช้ชีวิตบ่มเพาะด้านสะอาดบ่มเพาะด้านอิ่มอ่อนโยนบ่มเพาะด้านใจให้กระจายกว้างออกนี่คือบ่มเพาะให้กว้าง ให้อ่อนโยนให้อิ่มให้สะอาดนี่คือข้อหนึ่งเลยสำหรับนักภาวนาเลยนะถ้าจิตมันไม่มีระดับการบ่มเพาะในด้านให้เกิดใจที่มีมุมด้านอนุเคราะห์ช่วยเหลือก็อกูลบ้างนะจิตอย่างนั้นจะแคบมากจิตที่แคบอย่างนั้นเนี่ยหลุดพ้นยากเพราะว่ามันอยู่ในภูมิที่ที่มีแต่ แต่ตนเองอย่างเดียวยากเป็นเรื่องข้ อ, ขอที่ต้องต้องทำให้กว้างต้องทำให้จิตอ่อนโยนต้องทาให้จิตเมตตาให้ได้ต้องทำให้จิ ต, ต, จ ต, ม, ต, ต, จตมีระดับที่บริสุทธิ์นะี่คือต้องทำนะต้องทำศีลเป็นรากฐานกุศนะลธรรมเนะี่ยละบาปทำดีเป็นรากฐานเลยที่ถ้าหากต้องการฌานหรือต้องการญาณเนี่ย ไม่ทำให้จิตบริสุทธิ์ไม่ได้ที่สุดต้องกลับมาทำต้องกลับมาปรับจากรากเลยเหมือนเราจะสร้างเจดีสูงๆเนี่ยเราต้องทำรากฐานของเราให้มันแน่นเลยไม่งั้นเจดีของเราสูงไม่ได้ไกลหรอกเดี๋ยวก็ลม้มยิ่งบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ยิ่งง่ายมากเท่านั้นในการจะปล่อยวางบางทีเราข้ามขั้นตอนบริสุทธิ์ล้วพยายามจะสร้างแต่ความรู้ พิจารณาสลึกมองสักว้างพิจารณาได้มากมายเข้าใจอะไรเต็มไปหมดแต่จิตมันไม่ยอมจะจางคลายหรือจะลึกซึ้งมันเคลื่อนไหวในทางความรู้แต่กระแสะของจิตมันบริสุทธิ์ไม่พอทำให้เกิดความรู้แต่ว่ามันไม่คลายอะไรในมุมหนึ่งของผู้ปฏิบัติ ก, ก็จะต้องเติมความตั้งใจจะบ่มเพาะด้านศีล บ่มเพาะด้านกุศลทำให้ตัวเองมีจิตที่อิ่มอ่อนโยนนี่คือด้านด้านที่ต้องทำเลยต่อมาบ่มเพาะด้านพลังการทำสมาธิมุ่งหมายเดียวคือทาสมาธิเพื่อให้จิตนั้นเกิดพลังไม่ได้ทาสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาทำสมาธิเนี่ยเกิดพลังการจะศึกษาสมาธิก็จะต้องมีความ รอบรู้เรื่องการทำสมาธิข้อนี้ก็จะต้องมีการศึกษาเทคนิคกันระดับหนึ่งเพื่อให้เข้าใจวิธีทำถ้าในสมัยก่อนก็จะเรื่องอนาปานสติกก็จะไปทำกันเป็นอันมากการทำสมาธิจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนมันมันมีข้อที่ว่าถ้าศีลดีทำสมาธิจะง่ายถ้าลดการคุกคลีแล้วก็ ทำต่อเนื่องจริงๆมันจะค่อยๆรู้แล้วก็ค่อยทําได้สมาธิเป็นเรื่องที่จะทําได้เมื่อรักฐานศีนลเราดีและจะทําได้เมื่อเราทําเยอะๆทําต่อเนื่องนี่ก็จะทําได้การทําสมาธิเราต้องรู้ว่าเราทําสมาธิเพื่ออะไรไม่ได้ทําสมาธิเพื่อจะเกิดปัญญาหรือจะหลุดพ้นได้ด้วยกันแค่มานั่งดูลม จะต้องรู้ว่าเรานั่งดูลมหายใจเนี่ยเพื่อทําสมาธิการทําสมาธิก็เพื่อให้จิตนั้นเข้าถึงความเป็นสมาธิที่มั่นคงให้สําเร็จสมาธิที่มั่นคงก็ชานหนึ่งถึงฌานสี่ไปตามหาชานหนึ่งถึงฌานสี่มีความตั้งใจว่าจะตามหาชานหนึ่งถึงฌานสี่แล้วก็มุ่งมั่นที่จะต้องทําให้สําเร็จมุ่งมั่นที่จะต้องทําให้สําเร็จ อันนี้คือข้อสำหรับคนที่มีความเพียร น, นะข้อปฏิบัติคือกิจของการปฏิบัติคือจะต้องกระทำศีลให้บริบูรณ์นี่คือกิจและก็จะต้องทำสมาธิให้ได้นี่คือกิจสำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องมีความตั้งใจเรื่องสมาธิสูงถ้ายังทำไม่ได้ก็ทำอยู่นั่นขยันทาขยันทำนทาให้ได้ จนถึงจุดที่มั่นใจว่าตัวเองสามารถทำสมาธิได้แล้วคิดอยากจะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้นี่คือเรื่องสมาธิกับอีกขั้นหนึ่งเรื่องของการเจริญปัญญาถ้าเป็นเรื่องของการเจริญปัญญาเนี่ยมันก็มีข้อที่พระเจ้าชี้ลงไปตรงๆแล้วว่าถ้าอยากหลุดพ้นไปทำการศึกษาขันธ์ห้าให้กระจา่าง การศึกษาขันห้าที่ให้กระจ่างของพระ อ, องค์เนี่ยพอมาสืบทอดถึงสาวกท่านก็พยายามที่จะกระชับให้ง่ายขึ้นไปอีกไม่ต้องทำในแบบที่ยากระดับพระ อ, องค์ก็ได้ท่านชี้ลงไปเลยว่าการตามศึกษาขันห้าเนี่ยให้ศึกษาขันห้าในแง่แบบไหนบ้างก็พอเพียงหนึ่ง ศึกษาขัน5ให้รู้จักธรรมชาติของขันทั้ง5ว่าเป็นอย่างไรข้อแรกคือต้องรู้จักว่ารูปเป็นแบบนี้นี่คือรูปนะรู้จักให้ชัดว่าอันนี้คือรูปนะนี่คือเวทนานะนี่คือสัญญานะนี่คือสังขาร น, นะนี่คือวิญญาณนะการศึกษาขัน5ให้รู้จักกันว่านี่คือรูป นี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณให้ชัดก่อนเอาปริยัติ ด, ด้านนี้ให้แน่นด้วยการดูของจริงให้รู้ว่าอ า, อาการอย่างนี้อันี้คือรูปนะนี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะรู้จักหน้าตาให้ได้ก่อนให้ชัดต่อมาให้รู้ให้ได้ว่ารูปเกิดจากดินน้ำไฟลมอันนี้เฉลยมานะรูปเกิดจากดินน้ำไฟลม แล้วเราไปทําอะไรเราก็ไปพิจารณาดูซิว่ารูปขันเนี่ยประกอบขึ้นมาจากดินน้ําไฟลมอย่างไรเอาวันคืนไปตามพิจารณาให้เห็นให้เจอคําตอบให้เห็นภาพจริงตามเลยว่ารูปเกิดจากดินน้ําไฟลมอย่างไรนี่คือการเอาวันเวลาไปทําการศึกษาให้เข้าใจรูปเกิดจากดินน้ําไฟลมให้เห็น ให้เห็นซิว่ารูปเป็นสิ่งเกิดแล้วต้องดับอย่างไรรูปเป็นสิ่งที่เกิดแล้วบังคับไม่ได้อย่างไรรูปไม่ใช่ของเราอย่างไรเนี่ยคือมุมแพนเนี้ยมุมเท่านี้แล้วข้อดีของรูปมีอะไรบ้างข้อเสียของรูปมีอะไรบ้างนี่ให้ไปดูอันนี้คือมุมแบบหนึ่งที่พุทธเจ้าให้ไปทำการคนขวาพิจารณา ดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันให้ดูว่าเวทนาเนี่ยเกิดจากผัสสะท่านเชิญเลยแล้วเราไปตามดูว่าเวทนาขันเกิดจากผัสสะเป็นยังไงเวทนาขันไม่ใช่ของเราเป็นยังไงเวทนาขันไปทิงเกิดดับเป็นยังไงท่านให้มองไปเลยว่าให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งเกิดดับเราไปดูซิเวทนาขันมันเป็นสิ่งเกิดแล้วดับจนกว่าจะเห็นว่าโอ้มันเป็นสิ่งเกิดดับจริงๆอ๋อมันเกิดจากผัสสะจริงๆ อ๋อมันไม่ใช่ของเราจริงๆนี่คือตามดูเวทนาแล้วเห็นเฉพาะแง่ที่พระเจ้าให้เห็นนี้ให้เห็นและคําว่าเห็นควรจะเห็นในระดับที่เราเชื่อจริงว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยการเห็นจากการดูด้วยตัวของเราเองนี่คือกําลังศึกษาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกัน ศึกษาเพื่อให้คลายความสงสัยก่อนโดยมองไปที่แง่แง่ที่มองคือให้เห็นขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณโดยความเป็นของไม่ใช่ของเรามองในแง่นี้ให้เห็นไม่ใช่แค่ท่องแต่ไปมองให้เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราอย่างไรให้เห็นให้ได้นี้คือแง่นี้ ให้เห็นว่าไม่ได้มีเราอยู่ในขันห้าและขันห้าไม่ใช่ของของเรานี่คือแงน่นี้ต้องไปมองให้เห็นไม่ใช่ท่องไปตามให้เห็นสภาพจนรู้สึกอมืมันไม่ใช่ของเราจริงๆและไม่ควรที่จะมาถือมาเป็นของเราได้เลยนี่คือแง่ต้องให้เห็นนี่เป็นเรื่องการไปตามศึกษาเพื่อให้เห็นสภาพ ดูแต่ละขันให้เห็นโดยความไม่ใช่ของเราและไม่ได้มีเราอยู่ในขันห่าพุทธเจ้าบอกให้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของว่างจากเราให้เห็นขันห่าโดยความเป็นของว่างจากเราคือของไม่ใช่เราเนี่ยลองไปดูซิว่ามันไม่ใช่เราอย่างไงให้เห็นพิจารณาเห็นขันท่าโดยความเป็นสิ่งเกิดดับ โดยความเป็นสิ่งเกิดดับจนกว่าเราจะรู้สึกจริงๆว่ามันเป็นสิ่งเกิดดับดูไปทีละขันมั่นใจว่ารูปเป็นสิ่งเกิดดับจริงๆและเชื่อจริงๆโดยทนการพิสูจน์เลยว่ามันเป็นแบบนี้ค่อยไปขันอื่นต่อจนเห็นว่ามันเป็นสิ่งเกิดดับทุกขันจริงๆแล้วก็จบแงน่นี้ในแง่เกิดดับในเข้าใจต่อมาลองกระจายมองไปโลกกว้างทุกสิ่งที่เกิดก็เกิดแล้วก็ต้องดับเหมือนกันบางทีจะมอง กวาดไปจากภายนอกก็ได้มองสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เห็นทำท่องปวงที่เกิดล้วนเป็นสิ่งที่ต้องดับอาจจะมองย้อนภาพถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาหรือมองสิ่งที่จะเกิดนี่คือมองในแง่ของการตามให้เห็นโดยความเป็นสิ่งเกิดแล้วก็ดับนี้เห็นด้วยปัญญานี่คือฝึกการมองให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงคือไม่มั่นคง คือมันไม่มั่นคงเลยไม่มีอะไรรูปก็ไม่มั่นคงเวทนาก็ไม่มั่นคงสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่มั่นคงนี่คือแง่มุมมุมหนึ่งกับให้เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดจากอะไรคำว่าเกิดจากอะไรท่านเฉลยไว้แล้วแค่ไปตามเลยว่ารูปเกิดจากดินน้ำไฟลมลองไปดูสิเวทนาสัญญาสังขารเกิดจากภาษะลองไปดูสิเกิดจากภาษายังไง วิญญาณมีเพราะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารไปตามดูรูปเวทนาสัญญาสังขารจะดับสนิทไปได้อย่างไรอันนี้เป็นข้อพิจารณาเลยว่ารูปจะดับไปเมื่อไหร่อถ้ากายแตกสิ่นหลม nämlich. รูปก็ดับเวทนาสัญญาสังขารจะดับสนิทเมื่อไหร่เมื่อไม่มีผัสสะวิญญาณจะดับสนิทเมื่อไหร่ก็เมื่อไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขาร อันนี้คือมุมของการพิจารณาขันห้าตามแนวแบบนี้ไม่ต้องสเปะสปะับไม่ต้องสเปตสปับไปลึกเกินหรือไปละเอียดเกินไปมุมนี้แต่เมื่อมองแล้วเนี่ยต้องให้เห็นสภาพชัดคําว่าชัดคือเชื่อจริงๆว่า ม, มันเกิดจากภาษะเวทนาสัญญาสังขารเกิดเพราะภาษา เชื่อจริงๆว่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆเชื่อจริงๆว่ามันเป็นสิ่งบังคับไม่ได้จริงๆนี่คือเชื่อจริงๆนี่คือผ่านขั้นตอนแรกของความความสำเร็จในเรื่องการทำความรู้จักขันทั้งทําทำความรู้จักขันห้าในแงนี้เพื่อเข้าถึงคำว่าเข้าใจจริงๆ ไม่สงสัยจริงๆในแง่ที่ขันห้านั้นไม่ใช่เราในแง่ที่ขันหานั้นเป็นสิ่งเกิดดับในแง่ที่ขันหานั้นหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้ในแง่ที่ขันหานั้นเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้ในแง่ที่ขันหานั้นจะดับสนิทไปเพราะอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือข้อที่พระองค์ต้องการให้ง่ายขึ้นสําหรับไปมอง มันก็จะไม่สเปะสปาถ้าเรายังไม่เข้าใจในแบบที่เรารู้สึกเชื่ออย่างชัดลงไปเนี่ยก็ต้องทำซ้ำจนกว่าจะรู้สึกจริงๆ่าอืมมันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่คือขั้นแรกขั้นให้เกิดความเข้าใจและเชื่อจริงๆต่อมามันมีเรื่องของการทำความเข้าใจแล้วให้เบื่อหน่ายตรงขั้นเบื่อหน่ายจางคลายหลุดพ้นเนี่ย มันเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดด้านอารมณ์และความรู้สึกสูงมากในคำว่าเลื่อเป็นเรื่องของอารมณ์มันเป็นเรื่องของความรู้สึกถ้าจิตนั้นยังแข็งกระด้างอยู่นยะมันไม่ค่อยรู้สึกในด้านอารมณ์มันไม่อ่อนโยนมันไม่มันยังไม่พลิ้วไหวตรงนี้ก็จะต้องมีการบ่มเพาะในรายละเอียดด้านอารมณ์ให้อ่อนโยนให้บริสุทธิ์ให้เบาบาง สูงอันนี้ก็จะมีผลในทางที่เขาจะรู้สึกง่ายรู้ซึ้งง่ายการปฏิบัติมันก็จะมีข้อที่บุคคลควรรู้ว่ารักษาศีลเพื่ออะไรเราต้องรักษาศีลเพื่อให้จิตนั้นได้ปรับสภาพการเป็นจิตสะอาดเพื่อง่ายต่อการฝึกสมาธิและเพื่อง่ายต่อการเจริญวิปัสสนา ฝึกสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมีพลังพลังเอาไปทำไมสำหรับจะมีคุณภาพในยามจะเอาไปใช้ตามพิจารณาขันทั้ง5ให้รู้แจ้งตามเป็นจริงในการพิจารณาธรรมเนี่ยเขาไม่ได้ความไม่ได้ใช้สมาธิระดับฌานแต่ว่าจะใช้แค่อุปจารสมาธิเท่านั้น หากบุคคลใดทำสมาธิเข้าถึงฌานยิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งมีคุณภาพยิ่งมีคุณภาพอย่างเช่นในส่วนของสมาธิอันเป็นสัมมาเนี่ยสัมมาสมาธิท่านพูดถึงสมาธิที่อยู่ในรูปฌานหนึ่งถึงสี่เท่านั้นไม่ไปที่อรูปสมาธิไม่พูดถึงอรูปสมาธิจะทำให้เกิดการรวมละงับในตนเองในแบบไม่สสายและมั่นคงเป็น กลุ่มความหนานแน่นของความระ ง, งับอย่างมีพลังเนี่ยท่านหมายเอาถึงสมาธิชาตหนึ่งถึงสแต่อรูปสมาธิเป็นเรื่องทําให้จิตกระจายคลายปล่อยออกจากตัวคลายกระจายออกจนทําให้จิตนั้นบางจางลงไม่ก่อรูปรวมพลังแต่ก่อรูปกระจายคลายออกสมาธิแบบนั้นเนี่ยพระเจ้าไม่ได้เอามาใช้ในการจะ มีส่วนช่วยต่อการเจริญวิปัสนาท่านทำให้จิตรวมตัวไม่กระจายตัวรูปสมาธิเป็นเรื่องสมณิของการรวมตัวเมื่อรวมจะเกิดพลังเมื่อกระจายจะเกิดความว่างความบางความจางและก็ได้ความรู้สึกเป็นที่สบายทางอารมณ์ระงับไม่ได้ก่อให้เกิดพลังนี่เกิดรูปสมาธิ แต่ถ้าจะเกิดพลังต้องรูปสมาธิชานหนึถึงเป็นสมาธิที่ทำให้เกิดพลังแต่พอเราทำจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อถึงคราวจะพิจารณาทำหรือเพ่งตามดูตามสังเกตอะไรมันจะต้องอยู่ในจุดที่จิตคิดได้สังเกตได้พิจารณาได้จิตอย่างนั้นคือจะต้องเป็นจิต ไม่มีเอกกัตตาเป็นจุดเดียวแต่เป็นจิตที่ถอยเอกกักตาออกไปแล้วเหลือจิตที่อยู่ในภาพพร้อมจะพลิ้วไหวในการจะรู้ในการจะทราบในการจะพิจารณาแต่ยังมีความเป็นสมาธิหล่อเลี้ยงอยู่ไม่สลายตัวนั่นคือจิตที่ออกจากฌานคุณภาพของจิตที่ออกจากฌานเนี่ยพอออกมาจะไม่เท่ากันอย่างเช่น ถ้าออกจากฌานหนึ่งเข้าสมาธิได้แค่ฌานที่หนึ่งเวลาจะทำการพิจารณาธรรมหรือศึกษาธรรมเนี่ยก็ต้องถอยจากฌานที่หนึ่งอยู่ดีถอยเมื่อถอยแล้วจิตก็จะได้ความสงบเย็นแต่ความหนาหนักของความระ ง, งับเนี่ยจะไม่มากแต่ได้ก็สงบเย็นสดใสจิตอย่างนี้ก็พิจารณาธรรมได้แต่ความหนา ของสมาธิเนี่ยเขาจะน้อยพลังก็จะน้อยตามไปด้วยบางทีเจออะไรที่มันลึกละเอียดอาจจะหมดแรงหรือหมดพลังถอยจากชั้นที่สองเมื่อออกจากชั้นที่2ระดับการคัง่งค้างของความหนาของสมาธิเนี่ยก็จะดีกว่าถอยจากชั้นที่3ก็ต้องดีกว่าชั้นที่สองออกจากชั้นที่4ก็ย่อมดีกว่าทุกๆชั้นพอออกมาจากชั้นที่4เหมือนชาร์จไปในระดับสูงสุดเลย เต็มที่เต็มปรีมเลยพอเต็มแล้วเนี่ยก็ต้องถอยออกจากฌานแล้วก็มาใช้จิตอยู่ในระดับที่อ่อนโยนคิดได้พิจารณาได้ทำความเข้าใจสิ่งต่างๆได้นั่นก็คืออุปจารสมาธินั่นเองอยู่ตรงนั้นแต่อุปจาระที่ถอยจากฌาน4ี่มันเป็นอุปจาระที่หนุนด้วยความหนาของความนิ่งที่เป็นผืนกว้างเลย ยากจะจัดสลายตัวไม่หลุดพิจารณาแล้วไม่หมดพลังอันนี้คือข้อของสมาธิยิ่งลึกยิ่งดีแต่พอจะใช้จริงๆเขาใช้แค่อุปจารสมาธิการทําสมาธิมันเหมือนการเข้าไปชาร์จอย่างเช่นเวลาเราจะพิจารณารำเนี่ยเราเข้าสมาธิจนนิ่งก่อนตอนเรานิ่งเนี่ยเราจะไม่คิดเราจะต้องไม่คิดเพื่อให้จิตได้ชาร์จตัวเอง อยู่กับการไม่ไม่ทำงานการคิดไม่ทำการใส่ใจสิ่งใดๆเหมือนหยุดชาร์จหยุดนิ่งหยุดแช่การหยุดนิ่งหยุดแช่นานๆจิตเขาจะค่อยๆก่อความเต็มในตัวเองขึ้นเกิดความระ ง, งับพอระ ง, งับจะรู้สึกเต็มพอออกจากสมาธิจะรู้สึกเต็มนี่คือสมาธิจิตมันรู้สึกเต็มการเข้าจึงเป็นเรื่องการชาร์ แต่พอจะใช้คือต้องถอยออกพอถอยเสร็จเราก็จะเพราบว่าเราชาร์จได้เต็มหรือไม่เต็มได้เต็มแค่ไหนเหมือนชาร์จแบตโทรศัพท์เลยชา้นสี่เหมือนชาร์จแล้วเต็มเลยเราถอดปลั๊กเวลาจะใช้จริงๆเขาก็ใช้ตามการกินไฟตามปกติชา้นสาก็ชาร์จเกือบเต็มชา้นสอก็ชาร์จได้ครึ่งหนึ่งชา้นหนึ่งก็ชาร์จได้ระดับหนึ่งพอถอดปลั๊กชาร์จได้น้อยก็หมดเร็วกว่า ชาร์จได้มากก็นานกว่าจะหมดนี่คือเรื่องของชารก็จะเป็นอย่างนั้นมุ่งหมายคือต้องการให้จิตนี้มีส่วนของพลังในการส่งเสริมการเอาไปใช้ทำการศึกษาขันทั้งห้านั่นเองถอยจากสมาธิที่แท้จริงมันจะได้ทั้งพลังได้ทั้งความสงบได้ทั้งความเรียบได้ทั้งความเย็นได้ทั้งความใส นี่คือสมาธิแต่เราเข้าใจว่าเป้าหมายจริงๆถ้าคนต้องการแค่สุขสงบก็ไปหยุดอยู่แค่สมาธิก็พอใจแค่นั้นแต่ถ้าต้องการไกลไปกว่า น, นั้นเขาก็จะทำการเติมรายละเอียดด้านสำรวมระวังในส่วนความคิดในส่วนการใช้ชีวิต ระวังการมาคุณด้วยระวังสิ่งที่ชอบระวังเรื่องไม่ชอบเพิ่มเรื่องระวังมากขึ้นจะไปไกลกว่าไปไกลกว่าแค่เอาดีหรือแค่มีสุขในปัจจุบันจะต้องเอามรรคผลที่ผ่านด้วยงานก็จะต้องเพิ่มขึ้นเก็บรายละเอียดสูงขึ้นทีนี้เราสรุปความเข้าใจให้ตัวเองว่าถ้าเราต้องการจะ เขาถึงแก่นคือมรรคผลนิพพานตั้งแต่โสดาบันยันถึงสกทาคานาคาละหัน์เนี่ยถ้าจะถึงสิ่งนั้นต้องศึกษาขันห้าให้แจ่มแจ้งแล้วคําว่าแจ่มแจ้งเราง่ายขึ้นละเรารู้แง่เลยว่าเราจะมองแง่ไหนมองให้เห็นขันทั้งห้าในแง่ที่จะพบว่ามันไม่ใช่เราให้เจอขันห้าไม่ใช่เราอย่างไรไม่ได้มีเราในขันห้าอย่างไร มองให้เห็นขันท่าว่าเป็นสิ่งเกิดดับให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งเกิดดับก็ลอง ด, ดูมองให้เห็นขันทั้ง5้าว่าเกิดจากอะไรดับไปอย่างไรอันนี้คือข้อพื้นพื้นเบื้องต้นเลยตามนี้กับฝึกสมาธิฝึกสมาธิก็รู้ว่าฝึกเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตได้รางวัลคือฌานฌานคือรางวัลแล้วนะ ในขณะที่เข้าถึงความเป็นฌานยมจะรู้สึกได้พลังได้สุขขณะนั่งและได้รู้สึกอิ่มเต็มเมื่อออกได้ความใสเย็นขึ้นมาด้วยนี่คือสมาธิก็คือได้เลยเหมือนกันทันทีได้พลังได้ความใสได้ความเย็นได้ชระล้างตนกับเรื่องของศีลศีลก็คืออบรมเพื่อให้ตนนั้นได้ปรับพื้น ถ้าอยากทําสมาธิสําเร็จต้องลงมาเก็บรายละเอียดเรื่องศีลเรื่องสํารวมเรื่องสํารวมเรื่องระวังบาปอากุศล น, นี่คือใครจะทําสมาธิจุดๆมาทําสมาธิอย่างเดียวไม่สําเร็จจะทําสมาธิต้องทําอย่างอื่นด้วยคือรักษาศีลด้วยต้องสํารวมรักษาจิตด้วยนี่คือคนทําสมาธิแต่ถ้าคนทําสมาธิไปถึงกระจับกรรมฐาน ไม่ลงรายละเอียดเรื่องสำรวมการพูดการคิดการกระทำให้อยู่ในกรอบที่สำรวมระวังให้สะอาดให้มันเย็นให้มันอยู่ในควบคุมทำสมาธิไม่สำเร็จถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็จะเหลือแต่ความเพียร ว, ว่าเราจะสามารถทำได้มากได้หน่อยเราอบรมศีลได้มากหรือได้น้อยเราอบรมสมาธิเนี่ยเรามีความเพียรทำได้มากหรือได้น้อย เราไปตามศึกษาขันห้าเนี่ยเราเอาจริงกับมันได้มากหรือได้น้อยทีเนี้ยมันก็อยู่ที่เราว่าเราจะทำได้มากหรือได้น้อยในข้อการปฏิบัติซึ่งมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรจริงๆก็จะมีข้อที่เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องอริยสัจอยู่อีกหลายเรื่อง อาจารย์ตั้งใจมาว่าจะมาพูดเรื่องเหตุเกิดทุกข์นะทำไปทำมามาไปออกศีลสมาธิเฉะนั้นกลัวจะหนักเกินเพราะหนักจริงๆเรื่องเหตุเกิดทุกข์หรือเห ต, เหตุเหตุเกิดชาติเนี่ยหรือเจ้าตัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเลยมีรายละเอียดมากเมื่อจะวาดแผนที่ให้ดูก็จะต้องวาดให้ครบจะต้องพายมไปเรียนให้ครบ การที่จะละตัณหาเนี่ยมันก็ต้องรู้จักตัณหาเมือนกันละไม่ถูกจริงๆในศาสนานี้มีเรื่องการละว่าการจะละเนี่ยเขาจะละที่เหตุเขาจะไม่ละที่ตัวนะเขาละที่เหตุใครมานั่งละที่ตัวเนี่ยละไม่สําเร็จหรอกเขาบอกทำใดเกิดแต่เหตุพัตถาคตทรงตรัสถึงเหตุและการดับไปแห่งธรรมนั้นด้วยการดับที่เหตุเบญจเจ้าก็ใช้คําว่าถอนตัณหาขึ้นได้กับทั้งราก ทำลายตันหาพร้อมทั้งเหตุเขาใช้การทำลายที่เหตุเหมือนกับท่านเปรียบว่าวิญญาณเนี่ยคือเชื้องอกตัวรู้เนี่ยเขาเรีกเชื้องอกถ้าวิญญาณยังอยู่การเกิดอีกต่อไปย่อมมีขึ้นคําว่าเชื้องอกก็หมายถึงสิ่งที่มันจะไปงอกได้ตัวรู้เนี่ยคือวิญญาณเนี่ยเขาเปรียบเหมือนเชื้องอกถ้าเขายังอยู่วิญญาณยังอยู่เนี่ย การเกิดอีกต่อไปก็จะมีขึ้นแล้วถ้าหากว่าจะไม่เกิดต้องทำลายเชื้องอกคำว่าทำลายเชื้องอกคือต้องดับวิญญาณดับวิญญาณหรือตัวรู้เนี่ยแล้วถ้าเราจะดับตัวรู้เราจะดับยังไงแล้วใครมาสอนอะไรเยอะแยะเนี่ยให้ละให้รู้ทันละแล้วดับตัวรู้คำว่าดับตัวรู้นี่คือดับเลยนะ ถ้ายังมีชีวิตเนี่ยตัวรู้ยังไงก็ไม่ดับหรอกแต่ในการที่จะปะรินิพานของพระอรหันต์เนี่ยท่านดับวิญญาณได้ดับตัวรู้ได้พุทธเจ้าบอกเคยมีฤาษีตนหนึ่งเขาอยากจะรู้ว่าดินน้ําไฟลมเนี่ยจะดับสนิทไปในที่ใดเขาตั้งคําถามนี้ยแล้วก็ไปหาคําตอบว่าไอ้ดินน้ําไฟลมเนี่ยมันจะดับสนิทไปในที่ใดก็หาไม่ได้ว่าดินน้ําไฟลมมันเป็นธาตุ มันเป็นสิ่งที่ทรงอยู่ตามธรรมชาติมันไม่ได้ดับไปกับใครก็แล้วไม่มีใครตอบได้ไปถามมาทั่วแล้วที่สุดก็วนมามาถามพระพุทธเจ้าพรยพระเจ้าก็บอกว่าเธอตั้งคาถามผิดนะที่บอกว่าดินน้ำไฟลมจะดับสนิทไปในที่ใดอันนี้เธอตั้งคำถามผิดถ้าเธอจะตั้งคำถามให้ถูกเธอควรจะตั้งคำถามว่าดินน้าไฟลมในไม่อาจหยั่งลงสู่ที่ใดได้ มีที่แห่งใดที่ดินน้ำไฟลมหยั่งเข้าไปไม่ได้หยั่งเข้าไปไม่ถึงเธอควรตั้งคำถามแบบนี้แต่ถ้าบอกว่าดินน้ำไฟลมจะดับสนิทในที่ใดเธอตั้งคำถามผิดเพราะดินน้ำไฟลมเป็นเป็นธาตทุที่ทรงอยู่ตามธรรมชาติมันไม่ดับไปกับใครก็หรอกและเมื่อท่านบอกอย่างนี้แล้วท่านก็ตรัสผ่าสิทธว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง เป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการ์ไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้าไปถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่สิ่งนั้นแหละดินน้ำไฟลมไม่หยั่งลงได้สิ่งนั้นแหละความยาวความสั้นความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามไม่หยั่งลงได้สิ่งนั้นแหละนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือนามรูปดับสนิทในสิ่งนั้นเพราะการดับสนิทของวิญญาณ อันนี้คือข้อภาสิทธเข้าใจคาว่าดับสนิทไหดับสนิทคือเหลือมะถ้าเหลือเรีกดับสนิทไหมถ้าเหลือก็แสดงว่าดับไม่สนิทถ้าสนิทก็คือไม่เหลือใช่ไหมไม่เหลือเราทำไงดีทีนี้เราจะดับวิ ญ, ญญาณคือตัวรู้เนี่ยเราจะดับอย่างไรในหลักการเขาดับที่ตัวไม่ได้พระเดจ้าก็เปรียบวิธีการคือ เปรียบเหมือนอานามรูปหรือเปรียบรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเปรียบเหมือนเ ส, า ก, เสากระโดงเสากระโดงเรือเปรียบวิญญาณหรือตัวรู้เนี่ยเป็นเงาของเสากระโดงเปรียบตัวรู้หรือวิญญาณเป็นเงาเสากระโดงเปรียบรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นเสากระโดงทีนี้ถ้าอยากให้เงาหมดไปเอาเงาออกได้ไหม ไม่ได้ต้องเอาเสารกระโดงออกเงาถึงหมดไปวิญญาณคือเงารูปเวทนาสัญญาสังขารคือเสารกระโดงถ้าต้องการให้เงาหมดก็ต้องเอาเสารกระโดงออกดังนั้นถ้าต้องการให้วิญญาณนั้นดับไปก็ต้องดับดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิธีการของท่านท่านบอกว่าถ้าจะต้องการดับเงาเล่ะ ก็ต้องถอนเสากระโดงออกแล้วก็เอาเสากระโดงเหลือมาหั่นเป็นชิ้นๆเอาไปเผาเผาเสร็จแล้วแล้วก็ป่นป่นแล้วก็ไปละลายน้ําไม่เหลือเสากระโดงแล้วเสากระโดงไม่เหลือเงาเหลือไหมเงาก็ไม่เหลือนั้นอยากกาจัดเงาเขาไม่ได้กําจัดที่เงาแต่ไปกําจัดสิ่งที่ทําให้เกิดเงาซะนั่นคือเสากระโดง นั้นในข้อนี้คือถ้าจะจัดการวิญญาณเขาไม่ดับที่ตัววิญญาณเขาไปจัดการที่รูปเวทนาสัญญาสังขารเพราะวิญญาณเนี่ยหรือตัวรู้จะมีอยู่ก็ต้องอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในการตั้งอยู่ถ้าจะดับวิญญาณก็ต้องจัดการดับไปที่รูปเวทนาสัญญาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารดับวิญญาณจึงดับ ไม่ดับที่ตัววิญญาณอยากดับวิญญาณแต่ดับที่ตัววิญญาณไม่ได้ต้องไปดับที่รูปเวทนาสัญญาสังขารทีนี้ถ้าจะดับรูปเวทนาสัญญาสังขารจะดับยังไงก็ดับที่ตัวไม่ได้อีกอะรูปเนี่ยยังไงเดี๋ยวก็ก็ดับพลังกายแตกเนี่ยเดี๋ยวก็ก็ดับแต่เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยดับเวทนาขัน ดับสัญญาขันดับสังขารขันคำว่าดับก็คือทำให้เขาก่อเกิดขึ้นอีกไม่ได้ถ้าเวทนาสัญญาสังขารยังก่อตัวขึ้นได้อีกเนี่ยวิญญาณยังอยู่ไหมวิญญาณก็ยังต้องอยู่ตัวรู้ก็ต้องอยู่วิธีจะดับเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันก็ไม่ได้ดับที่ตัวอีกต้องไปทาให้ผัสสะขาดไปเพราะมีผัสสะมันจึงมีเวทนาสัญญาสังขาร ถ้าจะดับเวทนาสัญญาสังขารให้สนิทไม่ให้เกิดขึ้นได้อีกก็ต้องทำให้หมดผัสสะเพราะถ้ายังมีผัสสะเวทนาสัญญาสังขารก็จะยังมีเวทนาสัญญาสังขารยังมีวิญญาณก็จะยังอยู่ถ้าจะดับวิญญาณก็ต้องดับไปที่รูปเวทนาสัญญาสังขารดับที่ตัววิญญาณไม่ได้จะรูปยังไงเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวตายมันก็ดับ แต่เวทนาสัญญาสังขารจะไม่ดับตราบเท่าเหตุปัจจัยเขายังอยู่เขาจะยังอยู่แล้วเหตุที่ทําให้มีเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันคืออะไรก็คือผัสสะนั้นถ้าต้องการให้เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันดับคือเกิดขึ้นไม่ได้อีกก็ต้องทําลายที่เหตุคือต้องทําให้ผัสสะนั้นขาดไปต้องไม่มีผัสสะก็เลยต้องมาจัดการที่ผัสสะ ทำให้ไม่มีผัสสะทำให้จิตไม่ก่อการสัมผัสต้องดับผัสสะสัญญาเวทนาสังขารถึงดับทีนี้เวลาจะมาดับผัสสะมาดับตรงตรงที่ผัสสะดับยังไงดับไม่ได้อีกดับตรงตัวผัสสะก็ดับไม่ได้อีกต้องดับที่เหตุอีกละเหตุที่ทำให้มีผัสสะคือเจตนา จะทำให้สิ้นภาษาแล้วก็ต้องไปดับที่เจตนามันดับตรงภาษาไม่ได้อีกเหมือนกันต้องดับความตั้งใจอย่าให้จิตก่อความตั้งใจต้องให้ไม่มีความตั้งใจทำให้ไม่มีความตั้งใจเนี่ยทำยังไงอ่ะโหยากมากเลยทำให้จิตดับความตั้งใจไม่เหลือตั้งใจแค่ตั้งใจจะดับความตั้งใจก็ตั้งใจแล้วนะ แค่จะดับนี่ก็ตั้งใจละแล้วจะดับกิิยาที่มันเป็นความตั้งใจไม่ให้มีเนี่ยดับยังไงเขาก็ไปดับตรงตัวตั้งใจไม่ได้อีกต้องดับที่เหตุอีกละเหตุอะไรเพราะว่าถ้าจะดับกิิยาของจิตที่เป็นความตั้งใจเนี่ยก็ไปดับที่ตันหากลายเป็นมาจบตรงตัหา พอตันหาดับหมดความต้องการทุกสิ่งเนี่ยจิตมันจะทิ้งทุกสิ่งพอทิ้งทุกสิ่งมันจะหยุดตัวเองเหมือนเราพอไม่ต้องการจะดูมันจะหยุดดูไม่ต้องการจะฟังมันจะหยุดฟังไม่ต้องการจะทราบมันจะหยุดรับไม่ต้องการทุกสิ่งมันจะหยุดอยู่กับตัวมันไม่น้อมเลยในจุดที่จิตสิ้นความต้องการทุกสิ่งได้โดยแท้จริงมันทําให้จิตเกิดกิริยาที่เรียกว่าหยุด ในการหยุดที่สมบูรณ์หรือระ ง, งับตัวอย่างสมบูรณ์ของการหยุดเนี่ยกิริยาของจิตไม่เคลื่อนตัวเนี่ยความตั้งใจจะมีได้ไหมไม่ได้นะเพราะทุกการเคลื่อนกิริยามันจะต้องใช้ความตั้งใจแต่พอหยุดหมดเนี่ยเจตนาจะดับในจุดนี้พระพุทธเจ้าพบว่าถ้าจะดับเจตนาให้สิ้นไปให้หยุดต้องทำให้สิ้นตัณหาเพราะสิ้นตัณหาแล้ว กิริยาจิตจะหยุดหมดเมื่อกิริยาจิตหยุดหมดเนี่ยระงับตัวหมดก็ใช้คาว่าระงับสังขารคือหยุดกิริยาหมดเนี่ยเจตนาก็จะไม่ก่อตัวทำหน้าที่เจตนาก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อกิริยาหยุดเจตนาจะดับเมื่อเจตนาดับผัสสะจะดับเมื่อผัสสะดับเวทนาสัญญาสังขารเกิดไม่ได้เวทนาสัญญาสังขารเกิดไม่ได้วิญญาณก็ไม่มีที่ตั้ง กลายเป็นว่าถ้าจะดับวิญญาณต้องดับเวทนาสัญญาสังขารจะดับเวทนาสัญญาสังขารต้องทำให้ผัสสะไม่มีจะทำให้ผ okay, ัสสะไม่มีต้องดับที่เจตนาจะให้ไม่มีเจตนาต้องทำให้สิ้นตันหาทีนี้จะทำให้สิ้นตันหาดับที่ตันหาอีกได้ไหมก็ไม่ได้อีกจะทำให้จิตสิ้นความต้องการก็ไปละไอตรงที่ความต้องการตรงๆก็ไม่ได้ จิตจะคลายความต้องการมันก็ต้องละที่เหตุอ <color. UC S Brothers> ีกเห็นกันเพราะว่าเหตุที่จิตยังต้องการนั้นหมายถึงว่าต้องการอะไรอะไรก็คือยังต้องมีสิ่งที่ต้องการคำว่าต้องการมันไม่มีว่าต้องการลอยๆตันหาคือความอยากมันไม่มีว่าอยากลอยๆมันมีว่าอยากอะไรคือต้องการอะไรมันมีสิ่งที่ต้องการ วิธีการทำลายตัณหาเนี่ยเขาไม่ได้ละที่ตัวตัณหาเขาทำให้จิตคลายความต้องการออกจากสิ่งที่ต้องการแล้วทำไมจึงจึงยังต้องการล่ะเหตุผลที่ต้องการต้องการมีต้องการเป็นต้องการได้อะไรเพราะอะไรเหตุอะไรถึงต้องการก็เพราะว่าชอบเพราะชอบจึงยังต้องการเพราะชอบเพราะพอใจ เพราะพอใจจึงต้องการถ้าไม่พอใจล่ะก็ไม่ต้องการแต่เหตุที่เพราะพอใจยินดีถึงต้องการแต่ถ้าเบือ่อก็ไม่ต้องการนั้นการจะทำให้สิ้นความต้องการก็ต้องไปทำลายความพอใจยินดีไม่ได้มาทำลายที่ตัวความต้องการแต่ทำลายตรงส่วนที่เป็นความพอใจยินดีไม่ละที่ตัวแต่ละที่เหตุ ถ้ายังพอใจยินดีอยู่จิตมันก็ยังต้องการอยู่แต่ถ้ามันเบื่อเสียมันไม่พอใจยินดีสิ่งนี้แล้วเนี่ยความต้องการเรื่องนั้นมันก็หมดไปเองกลายเป็นต้องไปละความพอใจยินดีแล้วมาละตรงตัวพอใจยินดีก็ไม่ได้ละตรงนั้นอีกต้องไปดูอีกว่าทำไมถึงพอใจยินดีก็เพราะว่า มองเห็นว่ามันดีจึงพอใจยินดี idee. มองเห็นว่ามันดีอย่างนั้นมองเห็นว่าอย่างนี้มันจะทำให้สุขมองเห็นว่าเพราะการมองเห็นหรือเข้าใจสิ่งนั้นเข้าใจไปทางว่ามันดีจึงเกิดความพอใจยินดีพอพอใจยินดีจึงเกิดความต้องการพอมีความต้องการเจตนาจึงมีพอมีเจตนาผัสสะก็มีดีลากยาวไปเลย แล้วทำไมถึงพอใจยินดีก็เพราะว่ามองว่ามันดีมองแง่ดีเห็นแต่ข้อดีจึงพอใจยินดีวิธีจัดการในข้อนี้ก็เลยต้องให้เกิดการมองให้ครบมองให้แจ่มแจ้งมองให้เห็นข้อเสียด้วยมองให้ลึกไปกว่านั้นว่าไอ้สิ่งที่ตนพอใจยินดีเนะี่ยมันไม่มีกันสารอย่างไรมันมีโทษอะไร แล้วถ้ามองได้ถูกลักษณะจริงๆและเห็นตามได้จริงมันจะเห็นข้อเสียซึ่งชวนให้เบื่อได้เลยพอเห็นหรือเข้าใจใหม่ว่าสิ่งนั้นมันมีข้อเสียเต็ไมไปหมดมันไม่มีก่นสารเลยเนี่ยไอ้ความพอใจยินดีก็คลายออกเลิกพอใจพอเลิกพอใจก็เลิกต้องการนี่คือการละความต้องการกลายเป็นว่าก็ไม่ได้ละที่ตัวอีกต้องไปละที่เหตุ พอมีความรู้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นมันไม่มีการสารสิ่งนั้นมันมีข้อเสียมากมายสิ่งนั้นมีโทษภัยสิ่งนั้นเป็นสิ่งเป็นทุก์เนี่ยแล้วถ้าเห็นอย่างนี้ได้จริงๆในแบบที่ครบองค์ประกอบของการจะเห็นเลยเนี่ยความพอใจติดใจยินดนยีย่อมจางคลายออกจากที่เคยพอใจพร้อมจะเบื่อหน่ายพอเห็นว่ามันไม่ดีมันก็เบื่อพอเบื่อ ก็คือไม่พอใจล้เมื่อเบื่อมันก็ไม่ต้องการล้มันก็เลยเกิดการคลายความต้องการเพราะเบื่อนั้นการละตัณหามันจึงไม่ได้ละที่ตัวแต่ไปละที่เหตุเขาใช้คำว่าถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากถ้าละที่ตัวมันของปลอมมันนั่งรู้ทันความอยากรู้ทันแล้วละตรงตัวละความคิดอยากละลงไปเลยนี่คือละที่ตัว แต่การทำให้สิ้นไปอย่างแท้จริงอย่างเด็ดขาดเป็นสมุดเฉดแล้วไม่กลับกาเริบเนี่ยจะต้องสิ้นไปเพราะรู้ชอบพอสิ้นไปได้เขาใช้คำว่าถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งราบหรือทำลายตันหาพร้อมทั้งเหตุอันนี้คือกลไกลการละอย่างแท้จริงเนี่ยเขาละที่เหตุพอรู้ชอบพอเข้าใจกระจ่าง ถูกลักษณะเลยเข้าใจสิ่งที่ต้องการว่ามันไม่มีแกลนสารอย่างแท้จริงเนี่ยนี่คือความรู้ชอบเกิดขึ้นแล้วความรู้อันนี้ทาให้จิตเนี่ยเปลี่ยนจากเคยชอบติดใจพอใจกลายเป็นเลิกชอบพอเลิกชอบเลิกลึกไปกว่า น, นั้นคือเบื่อเลยพอเบื่อมันก็คลายความต้องการพอเลิกชอบมันก็ไม่ต้องการแล้วแต่ถ้ายังชอบดูยังไงมันก็ต้องการ แต่ถ้าเลิกชอบด้วยตัวมันเองเนี่ยมันก็ไม่ต้องการด้วยตัวมันเองไม่ต้องบังคับเลยพอจิตคลายความต้องการในสิ่งนั้นได้หรือคลายความต้องการได้กับทุกสิ่งอย่างแท้จริงสำเร็จเลิกชอบทุกสิ่งได้สำเร็จก็คลายความต้องการทุกสิ่งได้สาเร็จเหมือนกันพอคลายความต้องการทุกสิ่งได้สำเร็จจิตก็จะก่อภาวะที่หยุดระงับสังขาร ซึ่งจะเจอได้ที่ความสิ้นตันหานี้นี่เองเมื่อหยุดละ ง, งับสังขารกิริยาของจิตหยุดละ ง, งับหมดหยุดการเคลื่อนในขณะที่หยุดการเคลื่อนระ ง, งับตัวอย่างสมบูรณ์ตรงเนี้ยณนะที่ตรงจุดนั้นเจตนาย่อมดับไม่มีเจตนาก่อตัวเมื่อเจตนาดับผัสสะจึงไม่มีเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเกิดไม่ได้เมื่อเวทนาสัญญาสังขาร กาะตัวไม่ได้วิญญาณขันต์ก็ไม่มีที่ตั้งและถ้ารูปรขันต์แตกไปอีกขันต์หนึ่งก็พอดีอันนี้คือการทําลายตันหาพร้อมทั้งเหตุเขาดับกันอย่างนี้เขาไม่ได้ดับที่ตัวเขาดับที่เหตุทําใดเกิดแต่เหตุหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดล้วนมีเหตุทําให้เกิด และการจะดับสิ่งนั้นต้องดับที่เหตุไม่ได้ดับที่ตัวเพื่อเจ้าดับที่อวิชชาอาวิชชาคือภาวะที่ไม่มีความรู้เพราะไม่มีความรู้มันจึงเกิดตัณหามันจึงเกิดความต้องการแต่พอมีความรู้แล้วมันเลยเบื่อหน่ายมันไม่ต้องการแล้วเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่มีแก่นสารกลายเป็นว่า คนเราจะต้องหลุดพ้นด้วยปัญญาใชอย่างนั้นไม่ได้หลุดพ้นด้วยสติไม่ได้หลุดพ้นด้วยต้องมานั่งละอะไรแต่จะหลุดพ้นเพราะรู้ชอบหลุดพ้นคำว่าหลุดพ้นคือสิ้นตัณหาเพราะรู้ชอบหรือหลุดพ้นด้วยปัญญามีแต่สติเป็นเครื่องกัน้นปัญญาเป็นเครื่องประหารกิเลส ก็เลยต้องกลับมาที่สร้างปัญญาอยู่ดีและจะสร้างปัญญาก็ต้องเป็นปัญญาเฉพาะเรื่องด้วยเพราะวาความรู้ในโลกมันเยอะรู้แล้วก็ไม่ได้ทำให้เบื่อโลกรู้ก็ไม่ได้หลุดพ้นนี่เต็มไปหมดสารพัดหลายพศเยอะแยะไปหมดรู้เยอะเกินไม่มีประโยชน์ด้วยซ้ำรู้แค่เฉพาะเรื่องที่พอรู้เข้าไปแล้วไอ้ผลความรู้มันทาให้สิ้นอาสวะได้เนี่ยคือรู้ที่ขันห้ากลับมาที่ขันห้า เท่ากับงานของเราเนี่ยมันเหลือ ง, งานเดียวรู้แจ้งขันท่าแล้วเป็นได้ตั้งแต่โสดาบันยันอรหันต์เลยเหมือนงานอยู่แค่นี้จริงๆแล้วจะรู้แจ้งขันท่าอย่างมีประสิทธิภาพทำจิตให้เป็นสมาธิให้สำเร็จเวลาพิจารณามันจะมีพลังแล้วจะทำสมาธิได้สำเร็จก็ต้องกลับมารักษาศีลอยู่ดีไม่อย่างนั้นสมาธิก็ทาไม่ได้ที่สุดก็กลับมาว่าจะ ทำที่สุดทุกข์หลุดพ้นได้ต้องกลับมารักษาศีลอยู่ดีฝึกสมาธิศึกษาขันห้าพอรู้ชอบจิตก็เลยเลิกเบื่อหน่ายคลายความพอใจยินดีพอเลิกพอใจมันก็คลายความต้องการพอสิ้นความต้องการเจตนาดับผัสสะขาดสัญญาเวทนาดับเจอนิพพานที่ความสิ้นตัณหา จะฉายภาพไปดูอีกรอบนึ่งนีไม่รู้ว่าจําได้อีกไหมว่าถ้าโยมอยากจะละอะไรต้องดูว่าสิ่งที่จะละก็คือตัณหาและการละไม่ได้ละที่ตัวต้องละที่เหตุอันนี้คือถูกต้องแล้วการละไม่ได้ละด้วยสติแต่มันจะสิ้นไปด้วยปัญญาเพื่อเจ้าให้ละด้วยปัญญาพอสมควรกลับลพระ